เราคงได้ข่าวมานานแล้วนะเรียกว่าเป็นสิบปีแล้วก็ได้ว่ามีการผลิตหุ่นยนต์นะเรียกว่าโรบอตที่มาใช้ทำงานแทนคนนะตามโรงงานต่างๆโรงงานผลิตรถยนต์โรงงานนะผลิตเครื่องจักรตอนนี้หลายแห่งหลายประเทศนี่เ็าใช้หุ่นยนต์นะเรย่าโรบอบางทีหน้าตามก็ไม่เหมือนกับคนหรอกนะแต่ว่ามันก็ทำงาน แทนมนุษย์โดยเ่าในเรื่องของการทำงานเฉพาะอย่างแต่ไม่กี่ปีมานี้เนี่ยนะมันก็มีพัฒนาการใหม่นะคือปัญญาประดิษฐ์นะ AI ซึ่งอันนี้นี่มันทำให้มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นโดยว่าปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถพูดสามารถ เขียนออกมาเป็นภาษาที่คล้ายกับมนุษย์ตอนหลังก็เอาโรบอทนะกับปัญญาประดิษฐ์มารวมกันอย่างที่เราเห็นนะบางประเทศเป็จนจีนหรือว่าซาอุเนี่ยมันจะมีผู้ประกาศข่าวผู้ประกาศข่าวเนี่ยเป็นผู้หญิงหน้าตาเหมือนคนเลยแต่ว่าเสียงหน้าตาเหมือนคนแต่ที่จริงมันเป็นโรบอทบวกกับปัญญาประดิษฐ์ หน้าตาเหมือนคนเสียงก็เหมือนคนนะเหมือนกับผู้บรรยายหรือผู้ประกาศข่าวที่เป็นมนุษย์เลยตอนนี้ก็เลยมีความวิตกันว่าเนี่ยทั้งหุ่นยนต์แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์มันก็จะมาแทนมนุษย์มาทำงานแทนมนุษย์ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการเอาหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์นี่มาแทนมนุษย์หลายหลายสาขาแล้ว เห็นพี่เลี้ยงนะพี่เลี้ยงหรือว่าคนดูแลคนเท่าคนแก่ในญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้คนมันขาดแคลนมาทำงานดูแลคนป่วยเนี่ยน้อยลงก็เลยหุ่นยนต์มาหุ่นยนต์นี่ก็พอพูดเป็นภาษาได้บ้างแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับ มีความเฉลียวฉลาดหรือว่ามีการพูดการจาเหมือนกับมนุษย์แต่ต่อไปถ้าหากว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันพัฒนามากขึ้นเนี่ยโรบอทเนี่ยมันก็จะคล้ายมนุษย์เข้าไปทุกทีแล้วแล้วก็อาจจะมาทดแทนมนุษย์อาจจะได้ความจำเป็น เพราะว่าขาดแคลนอย่างนี้ในญี่ปุ่นเนี่ยก็เรา ม, มีปัญหานะขาดพระนะขาดพระที่จะมาประกอบพิธีกรรมแม้กระทั่งพระที่จะแสดงทรมให้กับญาติโยมตอนนี้บางวัดก็เริ่มเอาหุ่นยนต์นี่มามาใช้ในการประกอบพิธีกรรมแต่อย่างที่บอกนะหุ่นยนต์ตอนนี้มันพัฒนามากขึ้นนะจนกระทั่ง หน้าตารูปร่างรูปร่างนี้คล้ายคนละแถมใส่ปัญญาประดิษฐ์เข้าไปนะก็ทำให้พูดนี้เหมือนคนเลยก็เลยมีคนสนใจว่าต่อไปเนี่ยถ้าเอาปัญญาประดิษฐ์บวกกับโรอบอทนะแล้วก็ให้มาเทศแทนพระที่เป็นมนุษย์นี่มันจะเป็นยังไง ความต้องการตรงนี้ก็มีนะก็เป็นที่ตกว่าต่อไปนี่มันก็จะมาแทนคนมากขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งในเรื่องของศาสนาไอแทนคนในเรื่องของการแพทย์มันก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นมาแทนคนในเรื่องของเป็นแรงงานในโรงงานก็ทำกันแล้วแล้วจะมาแทนพระมาแทนผู้เทศผู้สอนนี่จะมีความ เป็นไปได้แค่ไหนก็มีการทดลองนะในญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอาโรบอตเนี่ยนะมาตกแต่งให้เหมือนคนเลยแล้วก็ใส่ปัญญาประดิษฐ์เข้าไปแล้วก็ให้เทศเทศในวัดเลยนะแล้วคนฟังเนี่ยพอฟังแล้วก็มาให้คะแนนนะว่า ที่โรบอทเทศเนี่ยนะมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนบอกว่าเมื่อเทียบกับการฟังเทศจากคนที่เป็นมนุษย์นะจากมนุษย์จริงๆนะกับการได้ฟังเทศจากปัญญาประดิษฐ์เนี่ยพราะว่าคนส่วนใจนะเห็นว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ย เทศน่าเชื่อถือน้อยกว่าคนนะเขาสอบถามคนประมาณเกือบ400คนนะให้คะแนนเต็ม5ความน่าเชื่อถือนะแปลว่าคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะที่เทศมีความน่าเชื่อถือมากกว่าปัญญาประดิษฐ์ได้คะแนน3าดห้นะ แต่ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยได้คะแนน3า5นแล้วเขาไม่ด้ทำแค่นี้นะมีอีกที่นึ่งเขไปทำที่สิงคโปร์นะมีวัดเตา่าวัดรัดี่เต่าเนี่ยเขาก็ให้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยซึ่งมีรูปร่างหน้าตาครยมนุษย์เลยมาเทศเหมือนกันนะแล้วก็ให้คนฟังเปรียบเทียบระหว่างเทศจากปัญญาประดิษฐ์หรือจากระ บ, บอร ล้วก็จากคนด้วยกันแล้วก็พบ ว, ว่าเขาให้น้ําหนักหรือความน่าเชื่อถือแก่คนมากกว่าที่ได้ฟังเทศจากปัญญาประดิษฐ์แลยิ่งานั้นคือว่าเงินบริจาค ก, ก็น้อยหลวงเดยนะฟังเทศจากปัญญาประดิษฐ์แล้วคนบริจาคเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นวัดญี่ปุ่นหรือวัดที่สิงคโปร์นี่คนบริจาค ให้นักเทศหรือจะเอาว่าที่เป็นปัญญาประดิษฐ์เนี่ยน้อยกว่าที่บริจาคให้กับพระหรือว่าคนน่ยที่เป็นผู้เทศจริงๆนะแล้วอีกที่หนึ่งนะอันนี้ไม่ใช่พุทไม่ใช่เตา๋าแต่ว่าเป็นคริสต์นะในอเมริกาแต่คนนี้ก็ไม่ใช่เรบอแล้วเขาใช้บัญญาประดิษฐ์นะแล้วก็ แสดงทำผ่านเว็บไซต์คนดูเนี่ยคนอ่านเนี่ยครึ่งหนึ่งก็บอกว่าเขาได้รับการบอกเล่าว่าเนี่ยไอ้ที่อ่านเนี่ยเป็นการเทศการเขียนการบรรยายของคนนะของมนุษย์นะอีกครึ่งหนึ่งได้รับการบอกเล่าว่าเนี่ยนี่เป็นการบรรยายของปัญญาประดิษฐ์แล้วถามว่าอะไรน่าเชื่อถือมากกัน บอกว่าคนอ่านนี้ก็ยังให้ความให้คะแน น, นการคําบรรยายที่เชื่อว่าเป็นค น, นเป็นผู้บรรยายเป็นผู้เขียนส่วนคนที่บอกว่าหรือได้รับการบอกเล่าว่าเนี่ยเป็นฝีมือของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเขาให้ความเชื่อถือน้อยอันนี้มันก็แสดงให้เห็นว่า ในบางสาขาในบางวงการเนี่ยโดวยเฉาในวงการศาสนานี่คนส่วนใหญ่ก็ยังให้ความสำคัญให้ความเชื่อถือกับผู้เทศที่เป็นคนที่เป็นมนุษย์นะแม้ว่าไอ้สิ่งที่เทศไปเนี่ยโดยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันก็อาจจะไม่ต่างจากที่เทศหรือที่บรรยายโดยมนุษย์เลยนะแต่คนก็ยังให้ความน่าเชื่อถือ นะกับนักเทศที่เป็นมนุษย์จริงๆอันนี้ก็สําหรับคนที่เป็นพระสำหรับคนที่เป็นนักเทศนี่ก็อย่างน้อยก็สบายใจนะคือไม่ตกงานนะปัญญาประดิษฐ์จะมาก็ไม่ตกงานเดีย๋ยวแล้วก็ตามนะไอ้ที่เขาบอกว่าปัญญาประดิษฐ์น่าเชื่อถือน้อยกว่าคนเนี่ย เป็นเพราะว่าได้รับการบอกมาก่อนนะ ว, ว่าเนี่ยคํญญาบรรยายเนี่ยเป็นของปัญญาประดิษฐ์ถ้าไม่บอกก่อนนะสิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์พูดสิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์เทศเนี่ยนะคนก่อนจะเข้าใจเป็นสือ่อมนุษย์แล้วก็จะเชื่อได้ง่ายเหมือนกับเมื่อสองสาเดือนก่อนเนี่ยเขาให้หมอกับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยตอบคําถามทางการแพทย์ คนอ่านนี่ไม่รู้นะว่าใครเป็นหมอหรือว่าคาตอบนั้นเป็นมาจากปัญญาประดิษฐ์แต่บอกว่าคนพอใจคำตอบจากปัญญาประดิษฐ์มากกว่ามากกว่าคำตอบที่ได้จากหมอเพราะว่าคำตอบที่จากปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเขาให้รายละเอียดนะแล้วก็รู้จกักพู้รู้จักคุยให้กาลังใจนะที่หมอที่เป็นมนุษย์จริงๆนี่ พูดสั้นๆตอบสั้นๆหุ้นๆไม่มีกิจวิทยานะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่ค่อยได้มีทักษะในการสื่อสารปัญญาประดิษฐ์นี่มีทักษะในการสื่อสารมากกว่าคนอ่านเนี่ยคำตอบเนี่ยไม่รู้ว่านี่เป็นฝีมือปัญญาประดิษฐ์ก็จะพอใจอันนี้มันก็ให้ข้อคิดนะว่าตอนนี้เนี่ยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันก็ มีความสามารถที่จะทำให้คนเนี่ยเชื่อถือมากขึ้นหรือยอมรับมากขึ้นแต่ถ้าคนยังเข้าใจว่าหรือถ้าคนรู้ว่าเนี่ยนี่เป็นฝีมือปัญญาประดิษฐ์นะในความน่าเชื่อถือก็จะน้อยลงนะเพราะมนุษย์เราจริงๆก็ยังให้ความสำคัญกับมนุษย์มากกว่าถึงแม้ว่าสิ่งที่มนุษย์พวกออกไปนี่อาจจะผิดๆถูกๆบ้างนะ แต่ว่าก็ยังอยากจะฟังมากกว่าที่จะได้ยินจากปัญญาประดิษฐ์อันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะที่มันทำให้เราอาจจะตอบคำถามว่าต่อไปเนี่ยปัญญาจะประดิษฐ์จะมาแทนครูจะมาแทนอาชีพอื่นได้มากมายแค่ไหนนะมันก็คงมีบางอาชีพบางาบางวงการนะที่ปัญญาประดิษฐ์อาจจะยังมาแทนที่ไม่ได้แต่ว่าต่อไป พอเปลี่ยนรุ่นคนเปลี่ยนรุ่นแล้วนี่คนคุ้นเคยกับเครื่องจกักรคนคุ้นเคยกับโรบอตมากขึ้นก็อาจจะให้ความเชื่อถือโรบอตและปัญญาประดิษฐ์มากขึ้นมากกว่าคนสมัยนี้ก็ได้หรือคนที่ยังมีอายุก็ได้